กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของโต๊ะกรมประดมความคิดนะครับวันนี้ให้เข้ากับบรรยากาศของวันพระใหญ่วันสํคาคัญทางพุทธศาสนาพึ่งผ่าน พ, พ้นไปนะรวันอาสาทบูชากับวันเข้าวพรรษาเราก็าาตั้งประเด็นว่ า, าศาสนธรรมในสถานการณ์ปัจจุบันครับคนต่อไปที่จะมาคุยด้วยคุณชันวิท ค, ครับคบนนี้โด่งดังในานะเป็นนักเขียนแนวธรรมะนะครับหลายคนรู้จักกันในน้าปะกาของดังตริง นะครับนั่นก็คือคุณสรันมัยตรีเวทนะครับสวัสดีครับคุณสรันครับสวัสดีครับคุณชานวิทย์สวัสดีครับคุณปรเมศตร์ครับผมคุณสรันครับในฐานะที่เป็นคนเขียนหนังสือแล้วก็แน่นอนเราเขียนหนังสือเรื่องธรรมะก็ต้องทํากันบ้านแล้วก็ติดตามเรื่องธรรมะสนใจเรื่องธรรมะมานี่นะครับมองสถานการณ์ของศาสนธรรมในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอยู่ในภาวะที่หลายคนเป็นห่วงหรือเปล่าโอ้ศาสนาเราแย่แล้วอะไรอย่างไรบ้างครับคุณสรานะ ครับก็โลกเราก็มีหลายส่วนนะประเทศเราก็เหมือนกันคือก็จะมีคนที่มีศรัทธาหลายระดับนะครั บ, รบทั้งระดับที่เ อ, อมีความลึกซึ้งแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นมาภายนอกแล้วก็ทั้งในระดับที่ศรัทธาพอสมควรเริ่มศรัทธาเริ่มต้นศรัทธาตามพ่อตามแม่ตามญาติตามเพื่อนนะแล้วก็ ไม่มีศรัทธาเลยแล้วก็ anti s lam, <S แอนตี้ด้วยซ้ําเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา<ะ>ทีนี้ผมอยากให้มองอย่างนี้ก็แล้วกันมองเป็นภาพรวมแทนที่จะมาถามกันเป็นยุคยุคว่าตอนนี้มีวิกฤตศรัทธาทางพระสงค์นะสถาบันสงฆ์เกิดขึ้นหรือว่าช่วงนี้กำลังเป็นช่วงที่บูมนะคนเข้าวัดกันเยอะแล้วก็แต่ละคนมีหน้าชื่นตาบาน มีความศรัทธาในพระศาสนากันแน่นแฟ้นอะไรต่างๆคือมันถ้าไปแบ่งเป็นยุคๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดความเข้าใจะจะเกิดความรู้สึกว่ามันมีช่วงที่ศาสนาตกต่ำรหรือว่าศาสนาเนี่ยถูกยกขึ้นสูงเราเรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าที่พุทธศาสนาเป็นเป็นศาสนาอยู่ได้เป็นพันๆปีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าศาสนาพุทธให้ธรรมะ นี้คนทั่วไปคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนะเด็กๆมักจะมีคําถามกันว่าทําไมต้องมีธรรมะด้วยมันก็รู้ๆกันอยู่ของรู้ๆกันอยู่แล้วนะผมได้ยินมาแต่ไหนแต่ไรเลยบอกจะไปมีทําไมจะไปศึกษาทําไมจะต้องไปจริงจังทําไมของมันรู้ๆกันไอ้คําว่ารู้ๆกันเนี่ยเรามาเจาะลงไปนิดนึงรู้จริงหรเปล่าอ่าคือคือถ้าหากว่าเรามองตามสามัญสํานึกนะฮะทุกคนเนี่ย เขาเรียกว่ามีมนุษยธรรมหมายถึงว่าธรรมะประจําใจของมนุษย์อยู่ก่อนเพราะว่าถ้าตามหลักของพุทธศาสนานะนี้เราเราว่ากันเรื่องความเชื่อก่อนนะบอกว่าถ้าหากจะมาเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่มาด้วยบาปแต่ม า, าด้วยบุญครับลักษณะของบุญที่ตกแต่งลักษณะของบุญที่ให้กําเนิดมนุษย์ขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้แหละมนุษยธรรมคือก่อนที่จะเป็นมนุษย์ได้ต้องมีธรรมะระดับหนึ่งต้องมีบุญระดับหนึ่ง มันมันถึงมีสานักสามันสำนึกแบบมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานอันนี้เขาเรียกว่าทุกคนรู้ๆกันอยู่แล้วว่าธรรมะคืออะไรแต่เอาเปลี่ยนคำถามว่าคนเราต้องการธรรมะที่สุดตอนไหนนะฮะคุณชานวิทย์กับคุณปรเมศลองนึกดูนะฮะตอนที่รู้สึกมีทุกข์ตอนที่มีปัญหาสิ้นหวังในชีวิตแล้วหาแลไม่ได้ แต่ละคนนี้ก็คงเคยประสบพบมาเนี่ยว่าคนที่กำลังอ่อนแอที่สุดและต้องการธรรมะที่สุดคือคนที่กำลังจะตายมไม่มีใครนะที่ไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายในขณะที่กำลังจะตาย<ะ>และนอกจากนั้นก็ยังมีคนที่กำลังมีชีวิตอยู่นั่แหละแต่อกหัก ก็อยากจะตายคือคือไม่มีใครที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วก็ไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยในขณะที่กําลังมีชีวิตอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่กําลังท้อแท้ชีวิตไม่เข้าใจชีวิตหรือตกงานอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยเราจะรู้จริงๆว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรมันธรรมะคือคําตอบคือความเชื่อมั่นคือกําลังใจคือความอบอุ่นใจ คืออะไรที่สามารถจะทําให้เราเป็นสุขได้นี่คือไม่ไม่ใช่นิยามของธรรมะทั่วๆไปนะแต่เราเอากันตรงภาพหรือมุมมองที่คนส่วนใหญ่บอกว่าฉันต้องการธรรมะฉันกําลังต้องการธรรมะอย่างยิ่งยวดอยู่เนี่ยมันก็คือกําลังใจความอบอุ่นความสุขนะะทีนี้ถามว่าธรรมะเนี่ยจะเสียใจไหมถ้าคุณทอดทิ้งธรรมะไม่ว่าจะด้วยเหตุผล ใ, นใดนะคําตอบก็คือคุณนั่นแหละจะต้องได้เสียใจ เสียดายแล้วก็ไม่รู้จะเอาธรรมะกลับมาได้อย่างไรในขณะที่กําลังจะตายด้วยจิตเศร้าหมองพึ่งพาตัวเองไม่ได้หรือแม้ขณะที่ยังมีชีวิตอีกนานนะแต่หาทางสะเกียกระกายขึ้นจากหนองน้ําตาไม่สาเร็จ<ะ>ด้วยตัวเองนะคือธรรมะเนี่ยไม่เคยทําร้ายใครนะมีแต่จะช่วยเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีแต่พอมีวิกฤตศรัทธาอะไรเกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี้เนี่ยก็มักจะมีเสียงตะกนโวยวายกันให้โหม่นะว่าไม่เอาแล้วธรรมะไม่เชื่อแล้วธรรมะ นี่เป็นเพราะว่าเราไม่เคยเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจนะมีแต่เอาธรรมะไปผูกไว้กับบุคคลอคือถ้าลองพิจารณาดูมันไม่มีใครนะที่เกิดมาพร้อมกับความเข้าใจใเกิดมาพร้อมกับกำลังใจให้ตัวเองมีแต่จะไปเอากำลังใจจากคนอื่นก่อนนะครับหรือว่าจะไปศึกษาหาความรู้หาวิชาหาความเข้าใจเอาจากครูบาอาจารย์ค นี่คือครูบาอาจารย์ก็ได้แนวทางดําเนินชีวิตหรือว่าได้แนววิธีดีๆอะไรมาจากไหนก็มาจากาศาสนาก็มาจากธรรมะเลจะศาสนาไหนก็ตามนะแต่เวลาที่เกิดวิกฤติสถานในาศาสนาขึ้นมาเนี่ยคนมักจะไปโทษาศาสนาบอกว่ า, าศาสนาไม่ดีจริงถ้าดีจริงจะต้องสามารถที่จะสร้างคนดีขึ้นมาได้คนเนี่ยมันไม่ใช่จะสร้างขึ้นมาด้วยศาสนานะคนต้องสร้างตัวเอง แต่ใช้ศาสนาเนี่ยเป็นเป็นเครื่องชีน้นาใช่เป็นเข็มทิศคนมองกันผิดปัญหาส่วนตัวของแต่ละคนมันคือมองผิดแล้วก็ไปยึดผิดพอมองผิดยึดผิดมันก็เลยไม่เกิดศรัทธาที่แท้จริงขึ้นม า, านะครับอันนี้ก็คือมุมมองที่ที่ผมบอกคุณคุณชลันครับอยากได้ความรู้ว่าสิ่งที่คุณชลันคิดในการสร้างงานออกมางานเขียนงานบทความงานหนังสือเนี่ยนะฮะ คิดยังไงแล้วก็จุดที่สำคัญเนี่ยที่ทำให้คนเขาติดเนี่ยพอจะถอดบทเรให้ได้ไมั้ยครับว่าเราจะเอานั้นมาใช้กับการเรื่องจะคิดยังไงกับศาสนาจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ดีขึ้นได้ยังไงด้วยเนี่ยครับก็ถ้าเอาตรงๆเลยนะ <c oughs> ง่ายๆสั้นๆเลย <c oughs> ก็คือผมเอาวิธีการเอาสไตล์การทำงานมาจากครูบาอาจารย์นั่นเองนะผมมีแรงบันดาลใจอยู่หลายคน ทั้งคารวาททั้งพระนะตอนที่ผม เ, เริ่มศึกษาศา ส, สนาใหม่ๆเนี่ยก็จะรู้สึกชื่นชมคือผมเป็นคนชื่นชมคนง่ายอะนะเวลาที่เขาสามารถที่จะให้ความกระจ่างให้ความเข้าใจให้แสงสว่างกับชีวิตผมได้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออทึง่งแล้วก็อยากจะทําให้ได้แบบนั้นบ้างคือไม่ไม่ใช่หมายความว่าจะ ไปให้เก่งเท่าหรืออะไรนะแต่หมายความว่าเออถ้าเราได้ความสว่างจากพวกท่านครับ<ะ>วันหนึ่งถ้าหากว่าเรามีกําลังเรามีความสามารถในการขีดเขียนบ้างเราก็อยากจะทำเ<ะ>นะ่ตรงตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้เคยคิดไม่ได้เคยคเนหรือว่า คาดหมายหรือมุ่งหวังว่าจะมาทําอย่างทุกวันนี้นะมันมันเป็นไปตามธรรมชาติของคนที่มีแรงบันดาลใจคือผมเคยเป็นเด็กวัยรุ่นที่ค่อนข้างจะมีปัญหาทางอารมณ์ทาง จ, จิตใจเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยเลยเพียงแต่ว่าแทนที่ผมจะหันไปหาเพื่อนนะก็ก็มีบ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้หันไปเต็มตัวนะผมหันหน้าเข้าหาห้องสมุดมากกว่าที่จะไปไปคุยกับเพื่อนที่ว้าเวที่มีปัญหา ที่มีความกดดันทางอารมณ์คล้ายกันพอหันหน้าเข้าห้องสมุดเนี่ยมันก็ได้เจอแรงบันดาลใจเยอะห น, ะนังสือเนี่ยแต่ละแต่ละเล่มก็คือมุมมองของอาจารย์แต่ละท่านนะครั บ, รบพ อ, อผมได้มุมมองหรือว่าได้แรงบันดาลใจมาจากใครมันก็จะค่อยๆเกิดการคิดแบบพวกท่านแล้วก็มา มามามาเขียนเป็นงานของตัวเองเป็นสไตล์ของตัวเองอะไรแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นขึ้นต้นขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะเขียนในลักษณะที่เอเป็นเป็นธรรมะอ่ะนะแต่ในที่สุดผมก็เอาไปประยุกต์กับความสามารถดั้งเดิมที่ชอบมาตั้งแต่สมัยประถมอะไรแบบนี้คือเขียนนิยายเขียนเรื่องแต่งนะครับพอมันบวกกันออกมาก็เข้าใจแล้วว่าจุดที่จะทําให้เออ่คนติดตามหรือว่าติดใจ ก็คือเขียนในลักษณะที่ให้ความรู้ด้วยแล้วก็ให้แรงบันดาลใจเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกนึกคิดในแบบที่มันน่าสนใจด้วยน ะ, ะครับแล้วถามต่อในฐานะนักเขียนที่อยู่ในวงการตร น, นี้เนี่ยือที่ผ่านมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแผงหนังสือก็จะมีหนังสือประเภทแนวธรรมะเยอะขึ้นแล้วคนก็ให้ความสนใจติดชัดอ่า 2ี่สิบเล่มแรกๆเยอะเลยนะครั บ, รบแล้วก็จะมีนอกจากแนวธรรมะที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็จะมีแนวเรื่องตัดกรรมแก้กรรมหยุดกรรมไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณสรันมองปรากฏการเหล่านี้นว่ามันเกิดขึ้นอันนี้เป<อ> <จะ S 1> ็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะ คือแม้แต่หลักการตลาดก็บอกอยู่ว่าถ้าหากว่ามีใครประสบความสำเร็จสินค้าคือถ้ามองเป็นสินค้าเนี่ยสินค้าตัวไหนสำเร็จขึ้นมามีคนนิยมก็จะมีคนมาขอแบ่งเคก้กอันนี้คือหลักการตลาดทั่วไปขั้นพื้นฐานที่ทุกคนได้เรียนกันในมหาวิทยาลัยนะแตะ่พอเรามาจับต้องเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะแล้วมองหนังสือเป็นสินค้าหรือว่าเป็นของขายได้ขึ้นมาเนี่ย มันเกิดปรากฏการณ์ทั้งที่น่ายินดีและก็น่าเศร้าใจรปรากฏการณ์ที่น่ายินดีคือคนที่รู้ธรรมะจริงๆเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานเผยแพร่มากขึ้น <ฮะ S 2> แต่คนที่จ้องอยู่แล้วว่ามีอะไรที่ทำเงินให้ได้บ้างนะเขาก็จะมาทีนี้เราเราอาจจะตัดสินกันยากนะว่าใครล่ะที่รู้จริงใครล่ะที่ถูกจริง มันก็บอกว่ารู้จริงกันหมดนั่นแหล ะ, ะมันก็บอกว่าถูกถูกจริงๆตัวเองถู ก, ถกแน่แน่คนอื่นไม่ถูกกันไปหมดนั่นแห ล, ละนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือว่าถ้ามีโอกาสนะรองสำรวจเข้ามาที่สภาพจิตใจของตัวเองหลังจากอ่านหนังสือหลังจากฟังซีดีหรือว่าหลังจากออได้ดูได้ชมวิดีทัศอะไรก็แล้วแต่นะแล้วถามตัวเองว่ามีความสุขมากขึ้นไหม มีแรงบันดาลใจอยากจะทําอะไรดีๆมากขึ้นไหมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะเกิดความรู้สึกอยากจะหันไปทําความเข้าใจอยากจะหันไปทําความรู้จักกับพระพุทธเจ้าพระองค์จริงๆบ้างไห ม, มนะถ้าหากว่าเรามีแรงบันดาลใจหนังสือหรือว่าสื่อใดๆก็ตามที่สร้างแรงผลักดันให้เราเนี่ยกลับไปดูกลับไปศึกษาจริงๆว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้อย่างไรนั่นแหละอันนั้นถูก แต่ถ้าหากว่าหนังสือหรือว่าสื่อเล่มใดๆก็แล้วแต่นะอคือก่อให้เกิดความหยาดจะหันหน้าเข้าหาอาจารย์พุ่งตรงเข้าไปหาอาจารย์ท่าเดียวนะคนที่เขียนคนที่พูดคนที่อะไรก็แล้วแต่นั่นคือให้ให้สงสัยไปก่อนแล้วว่าเออเขาทำด้วยจุดประสงค์อะไรกันแนะ่ยังยังผมให้ข้อสังเกตเลยนะหนุมน่มๆอายุแค่ยี่สิบสามสิบ ถ้าตั้งชื่อให้ตัวเองนะตั้งฉายาให้ตัวเองเป็นหลวงปู่หลวงตาเนะสันนิษฐานไม่ก่อนเลยว่านั่นเนะี่ยไม่ใช่แล้วนะเจตนามันลวงชัดๆอย่างน้อยก็เป็นอีกโก้เนะอะคือคือมอมีเจตนาเรียกให้คนมาศรัทธาตัวเองให้มาเรียกตัวเองอผิดจนะับวัยเนี่ยมันมันโกหกตั้งแต่ต้นแล้วมันจะไปไปต้องต้องไปสํารวจอะไรอีกนะในรายละเอียดคือคือถ้าถ้าจับหลักที่พูดมาเมื่อกี้ง่ายๆก็คือว่าถ้า คนไหนเล่นบุญเจ้าเข้าหาเูืเล่นเจ้าเข้าหาธรรมะนั่นคือได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือเข้าหาตัวคนเขียนเข้าหาตัวบุคคลซึ่งกำลังโฆษณาเแวงไว้ก่อนอันนั้นอาจจะไม่ใช่พุทธให้ราแหวงไว้ก่อนแต่ด้านหนึ่งมันสะท้อนนะครับว่าคนก็หหยหาเรื่องของวิทยาลยใช่คืออาจจะทั้งโหยหา ศา ส, สนาความคิดทางออกแล้วก็ยังหัยหาฮีโร่ด้มั้งฮะใช่คือไปพร้อมๆกันเราเราต้องเห็นใจอย่างนี้นะว่า<ะ>คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วก็สิ่งที่จะกระทบใจมีแรงประทะมากที่สุดก็คือคาลิสมาของคน<ะ>คำว่าคาลิสมาของคนหมายควาว่าความจับตาจับใจ<ะ>ความสามารถที่จะตรึงตาตรึงใจได้ แล้วก็ดึงดูดให้เกิดความรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสหรือรมีว่า ง, งั้นใช่มีบรารมีพอที่จะทำให้คนอื่นอยากมาฝากชีวิตไว้ในมือะนะะมันมันต้องเห็นใจกันตรงนี้แม้แต่ผมช่วงแรกๆก็อย่างนี้เหมือนกันคือถ้าได้ยินว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนหรือว่าแม้แต่คราวาสก็ตามเนี่ยนะที่มีความเหนือมนุษย์อ่าก็ใจก็โ้นไปแล้วอยากจะแล่นไปหาแล้วอันนี้ จากประสบการณ์ที่ยังจําได้อยู่ที่ยังระลึกได้อยู่ก็ทําให้เกิดความเห็นใจแต่ทีนี้เมื่อสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นในศาสนาซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกผ่านมาไม่รู้กี่ครั้งมันก็สามารถที่จะเอามาใช้บอกเอามาใช้เตือนได้เหมือนกันเอามาใช้สะกิดได้เหมือนกันว่าถ้าหากเราลุ่มหลงมัวเมาอกาศ คาลิสมาหรือความวิเศษของคนมากเกินไปบางครั <t <t ้งเราอาจจะขุดหลุมพรางไว้ให้ตัวเองปกดลงไปก็ได้ในที่สุดครับผมครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณสรันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสรันไมตรีเวทนะครับเจ้าของนับปากกาดังตรินนะครับซึ่งมีงานหลายเลื่อบอกมานะครับอย่างเช่นทั้งธรรมะที่รู้จักกันดีนะครับเสียดายคนตายไม่ได้อ่านในนี้ชื่อนักสื่อข่าวเทปทุกซึงดังๆมากเลยนะครับ